การรู้การเข้าใจผมทำพลิกมือขึ้นค่ว ม, มือลงยกมือไปเอามือมาโบนหน้าถอยหลังก้มเงยเอียงซ้ายเอียงขวากืนน้ำลายลงไปในนัานข อ, ข อ, ขอให้รู้สึกตัวและพริกตาก็ให้รู้ความรู้สึกอันนี้แหละมากขึ้นมากขึ้นผมไม่รู้มันหายไปมันจางไปวมรู้มากขึ้นมากขึ้น มันเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจเกิดปัญญาเกิด ม, มีแสงสว่างในใจแต่ไม่แสงสว่างคือแสงเทียนแสงตะเวนนี่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคือเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจไม่พลาดผิดรู้ตามเห็นตามที่พระพุทธเจ้ารู้จริงๆดั ง, งนั้ น, น, นการรู้ก็รู้รู้รู้น้ำนี่เองที่แรกแต่ทำจังหวะจึงรู้เมื่อไม่ทาจังหวะไม่รู้ เพผมไม่รู้นี่ยทำพุดโธหรือนับม่อสองสามสัมมาอ阿拉หังพองลูกอาณาปานสตินี้ผมผมบลูหรือผมไม่ ร, มมรู้ใครจะรู้ก็เรื่องของคนอื่นผมรู้เรื่องนี้ผมก็ต้องนําเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังรู้รูปลู่นามนี่เองรู้ก็ได้ไม่ได้รุ่นอื่นเลยรูปกของเรานี่เองรูปเรานี่เนี่ยรูปธรรมนามธรรม รูปโลกนามโลกรูปโลกนามโลกมีสองอย่างด้วยกันคือโรคทางเนื้อหนังเจ็บหัวปวดท้องเป็นบ้านเป็นแผลนี่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้หมอที่โรงพยาบาลเซ็บร่างกายแล้วหมอจะให้ยาเมื่อให้ยายมากินบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายบางทีก็าตา ย, ยก็เป็นนะ่นี่เป็นยังงโรคทางจิตใจแบบ น, นี้ แต่ร่างกายรูปนามนี่ไม่เป็นอย่างไม่คำว่าไม่เป็นอย่างเนี่ยไม่เป็นอะไรหรือไม่เป็นไรวันนี้มันเป็นคำหมายคาพูดจรงมันเคลื่อนไหวไปมาได้แต่วามจริงแล้วธรรมะนั้นเคลื่อนไหวไม่ได้รูอ้อยังไงต้องเป็นอย่างนั้นเป็นจิตวิญญาณเป็นโลกคือมันมีพอใจมีไม่พอใจมีดีใจมีเสียใจ ขัดเคืองใจหรือว่าไม่ชอบใจห้ือชอบใจอย่างนี้อันนี้จิตวิญญาณเป็นโลกทำยังไรจึงจะหายต้องเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาให้จิตใจแจ่มใสให้จิตใจว่องไวเมื่อจิตใจแจ่มใสจิตใจว่องไวแล้วสามารถที่จะตัดหรือจิตใจที่สกปกนั้นเท่งไปอย่างนั้น เมื่อลูกโลกนามโลกรู้ดีแล้วก็รู้สมมติรู้ทุกขังอันิีจังอนัตตนี่เองทุกขังอนิจังอนัตตากสมมติผูดขึ้นมาทีแรกผมรู้ว่าทุกขังอันนีจังอนัตมม ต, น, ออ น, น, ตนั้นผมงอกฟันหักเมื่อนังมันแห้งมันแห่วไปเมื่อมันย่นย่อมันยานไปเข้าใจอย่างนั้นแต่เมื่อมาปฏิบัติแล้วไม่เป็นอย่างนั้น มันเป็นตัวเคลื่อนตัวไหวนี่เองพิกมือขึ้นขั้วมือลงมันเป็นทุกข์มันพิบตามันเป็นทุกข์มันหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นทุกข์พุ่มมือมันเป็นทุกข์เอียงไซเอียงหัวมันเป็นทุกข์กลืนน้ำลายเข้าในลำคอนี่ก็เป็นทุกข์เราพิกตานี่เมื่อไซแหลหัวพิบขึ้นพิบลงมันเป็นทุกข์ทางนั้นอันควรทุกข์อันนี้แหละ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 ในอธิยบุตย้อยคูเยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดขาตามเนี่ยท่านสอนอย่างนี้สอนคนจริงท่านมีความหมายสอนอยากให้เรารู้เรื่องทุกนี้เองดังนั้นเมื่อผมทำแล้วมันรู้จริงจริงู้ของจริงรู้แล้วว่าเปลี่ยนแปลงว่าแปลขันมั่นคงถาวรบาปคือมืดนั่นเองบาปคือไม่รู้บาปคือโง่นั่นเองถ้าหากยังมืดจิตมืดใจยังง่อยู่ ยังไม่สลัดแม้จะทําบุญให้ทานรักษาสิานเท่าใดก็ตามยังมีบาปอยู่นั่นเองบุญเหมือนบุญคือรู้บุญคือเข้าใจบุญคือสว่างใจบุญคือไม่ทุกข์อันไม่ทุกข์นี่แหละท่านเรียกว่าบุญดังนั้นจิ๋วคนไม่รู้บุญขอบุญไม่ได้คนไม่รู้บาปรีบบาปไม่ได้เมื่อรู้อันนี้เราสิ่งที่ผมโล้ได้ทันทีเลย ผมรูทุกแล้วผมรู้รรได้ทันทีผมมาลุยปศนูนี่ผมอาบน้ำ ม, มาแล้วผมมาเดินจงกรมย่ามไปง่ามาคล้ายๆมีคนมาสุก ข, ข้างผมนี่ครับวูบมืผมก็เลยดูไม่เห็นอะไรเลยมันคิดถึงมาครั้งที่สองเนี่ยผมรู้คำพิสานเนี่ยผมรู้จริงๆครับรู้แล้วผมทําเหมือนแมวกับหนูบ้านเรามีหนูต้องเอาแมวมาเลี้ยงหม่แมวตัวน้อย หนูหนูตัวใหญ่มันออกมาแมวมันไม่เคยกลัวหนูมันก็จับหนูเลยหนูมันตื้นมันก็แล่นหนีหนูแมวมก็ติดหนูไปอันนี้เป็นขวอมลู่ของอาวิสาครับอาวิสาไปว่าไม่รู้หนูตัวน้อยมันไม่มีสติมันไม่มีสมาธิมันไม่มีปัญญามันยังไม่สามารถตัดข้อมลู่นั้นทิ้งมันยังวางข้อมลู่นั้นไม่เป็นมันก็เลยเข้าไปในข้อมลู มันก็เลยรู้ผีรู้เทวดาไปสอนผีสอนเทวดานี่มันเป็นยังไงอันนี้เป็นขมรู้ของวิตรศิลปเมื่อผมรู้อันนี้แล้วก็ความคิดนั่นมันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจแจ่มใสดีว่องไวดีมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บความคิดมันทุกอยู่ทันทีครับเมื่อผมคิดมันหยุดแล้วเราก็สมมติมันคิดลอยเรื่องนะครับเราจะทันมันเรื่องเดียวทีแรกน มันเก้าสิบเรื่องเก้าสิบเก้าเรื่องมันวัดทำไมทันมันบัดนี้มันคิดขึ้นมาร้อยเรื่องเราทันจะกห้าเรื่องและมันกันอย่างเก้าสิบห้าเรื่องเท่านั้นเองบัดนี้มันคิดขึ้นมาร้อยเรื่องเราได้สิบเรื่องมันก็ยังไม่ทันมันเก้าสิบเรื่องเราพยายามทำความรู้สึกการเคลื่อนไหวนี่เองครับความรู้สึกนี่ความเคลื่อนไหวนี่มันตัดมันทําให้หยุดจังหวะ สติปัญญาวุฒสมาธิปัญญามันแจ่มใสได้ครับมันก็เลยยุดความคิดนั้นได้ความคิดนั้นอ่ะมันไม่รู้ครับมันเข้าไปในความคิดแต่บางคนเข้าใจว่าผมทมําบิดปัสจนาเคลื่อนไหวไปมามันไม่มีตาราอะไรเยอะอันนั้นผมเข้าใจว่าแม้จะเรียนนักทําตีโทเอถึงมหาปรเลียก็ตามผมก็ยังเรียนน้อยเกินไป ในเรียนสายโลกก็ตามจบปริญญาต ร, ารีปริญญาโทปริญญาเอกก็ตามถ้าหากว่ายัางไม่เข้าใจเลย่นี้เพราะว่ายัางเรียนน้อยเกินไปรู้ยังไม่แตกสารยังไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าทําไมจึงไหมไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติกําหนดรู้ในอิริยาบถทั้งซียืนเดินนั่ง น, นอนแม้ให้มีสติกําหนดรู้ในอิริยาบถ ย, ย่อยคู่แยกเคลื่นไว้ ท่านสอนอย่างนั้นจะไปหาว่าโบมีผมเข้าใจว่าเรียนน้อยเกินไปแม้จะแตรกสารในพระไตรปิฎ ก, กตา่านงะเรื่องคนรู้ของ ค, คนนํานแต่ว่าดีเขาว่าไม่มีโกดีแต่ผมว่ามันมีเพราะมันเป็นคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เรื่องให้มีตสติกําหนดรู้ในริยาบุตรนี้จังหวะรู้ตามเห็นตามเข้าใจตามที่ผมพูดมานี่เป็นคนจริงแต่โลตจรซาวเรื่องนี้ครับ ลกเย็นมาข่มกับรู้ขมคิดเมือม่อมอูผมคิดดีแล้วผมคิดมันหยุดเอาหยุดเอาอย่างนี้นะครับดังนั้นจิวามาเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาดังนั้นการเจริญสตินี่ครับจเจริญผมรู้ตึกหม่ดมันสามารถทําให้ผมคิดหยุดได้อย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าสอนเรืเ่องอริ ย, รยสัจสี่นั่นเือทุกสมุทัยนิโรธมาก เราได้ยินได้ฟังมาแล้วเรื่องแต่เขาโบลูคำว่าโบลูนั้นกับโมเมนแต่ว่ารู้หักไม่เคยรู้รู้อย่างโบลูรู้อย่างผู้รู้ตรงรู้อย่างผู้รู้รู้อย่างใดนันรู้อย่างผู้รูนร้นั่นคือเรารู้ผมคิดเห็นผมคิ ด, เ ห, คดเหมือนกับแมวที่มีกําลังพอดีมันคิดปุ๊บเราเห็นปั๊บ ผมคิดมันหยุดเลยอย่างทุกต้องกําหนดรู้ไม่ใช่กําหนดบนอื่นเนี่ยครับกําหนดการเคลื่อนไหวนี้เนี่ยพลิกมือขึ้นรู้สิกตัวพว่มมือลงงดตัวเอียงซ้ายเอียงตัวก้มเลยเนี่ยรู้สิกตัวอันควรู้สิกตัวเนี่ยเพราะว่าทุกต้องกําหนดรู้มันเป็นตัวทุกอย่างที่ผมว่าให้ฝังเมื่อแรงไว เคลื่อนไหวไปมาทุกอิเรียโบโันเป็นตัวทุกเป็นทุกขงังเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาครับทุกขังเป็นมันติดอยู่กับรูปอนิจจังเป็นว่าห้ามบอได้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันอนัตตาบังคับบังตาบอได้มันเป็นเองครับอย่างพิษตานมันพิษยนต์สีต้องแต่นในน้อยปุ่นมาเราเคยรู้เหมือนไหมไม่เคยรู้ครับมันเลือดไส้แร่ครัวเนี่ย มันเกิดมามันก็เป็นอย่างนั้นมารู้ไหมไม่เคยรู้ผมคนอื่นอาจจะรู้ย่างเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยรู้หักไม่รู้มันไม่รู้ด้วยสติปัญญาครับมันรู้อย่างคนสามัญธรรมดาที่สุดจหวัดทุกต้องกําหนดรู้รพระพเจ้าหลวงสอนเมื่อมันรู้อันนี้แหละครับเพราะดีมันคิดเราก็มาอยู่กับผ ม, ผมรู้ึผมคิดมันดูบทุกที่มากําหนดรู้มารู้ตัวนี้ สมุทัยต้องละเราละมันโมได้สมุทัยครับเพราะมันเป็นตัวคิดนี่ครับสมุทัยทําให้ทุกเกิดเอมันคิดเข้าไปในผมคิดบัดนี้พอเดมันคิดหรือมันบุกคิดก็ตามคข้ามากําหนดการเคลื่อนไหวอยู่อย่างนี้ครับพอดีเคลื่อนไหวเรารู้พอได้มันคิดปุ๊บเรารู้มันก็มายุ่กับการเคลื่อนไหวนี่ครับยังไงจีว่าสมุทัยต้องละมันละด้วยการเคลื่อนไหวีนี้ครับมักต้องเจริญ ก็ทำบ่อยๆแล้วครับทำการเคลื่อนไหวไต้องมีสติกำหนดรูการเคลื่อนไหวทุกอินทรียบุตรนี่แบบมากต้องเจริญนี่โลดทำให้แก้งมันเกิดขุมรูขุมเห็นขุมเข้าจัดมันแก้งแก้งเรื่องทุกทุกนี่มีหลายทุกเลยครับทุกว่า ม, มีเงินบ่นมีทองนั้นอิทุนนี่โลดทำให้แก้งแก้งอะไรแก้งเพราะเราเห็นจิตนี้เองแต่ว่ารูทุกจิต ความจริงบทหนึ่งที่ผมประสบหรือผมได้ศึกษาเล่าเรียนมาปฏิบัติมาจะนำมาลอยสังทุกคนนีกไม่พ้นหนึ่งเกิดมาแล้วต้องตายแน่นอนที่สุดคนตายสองคูณสั้นสัน้นซึ่งที่เขาจีประสบอ่อนที่เขาจะบวชลมหายใจนี่ครับซึ่งนั้นต้องปรากฏก่อน เมื่อสิ่งนั้นว่ปรากฏแล้วเขาจีบบุหงาจักเขาจีบบุหงาจักเขาจีไปด้วยคมมืดเด้อยจีไปด้คมเห็นแจ้งถ้าที่ไปด้วยคมเห็นแจ้งนั้นอย่าเกียจขานอย่าท่อถอยต้องทําผมรู้จึกตัวให้มากๆถ้าหากผู้ใดเกียจคานผู้ใดท่อถอยแล้วพ่อนแอแล้วจะไม่ทันได้รู้จะไม่ทันได้เห็นแต่ก็ต้องประสบ นี่ทัศจัมพุโข่งจริงแท้จะหมดลมหายใจอยูแต่เขาเคยว่ากันเคยได้ยินครูบาอาจารย์ว่าคนได้บุญกิเลสตายแล้วเกิดตื้มไปเลยคนได้บุมีกิเลสตายแล้วบุเกิดตื้มไปนิพพานไปเลยเขาบอกเข้าใจเขาบอกเข้าใจเพราะว่าเขาบุบุญมีเลสแต่มันมีสิ่งนั้นบุญหันปรากฏสิ่งนั้นบุหันสแสดงเมื่อสิ่งนั้นปรากฏ ทิ้งนั่นแสดงออกมาแล้วเขารู้เองเ็เองเขาใจเองคนนี้เพรานว่าวิลากะขวมเบื่อหน่ายขายกันหนักเขาเว้าซื้อได้มอนต่อเมื่อเขาหัวใจกูได้มันจะเป็นวิลากะแท้ๆได้ครับพมันเบาเวิลากะโง้เปนเบาซื้อได้ครับขวมเบื่อหน่ายขายกันหนักมันบมเบื่อเมื่อกี้เบื่อยังไงเมื่อเขาเห็นเขาเป็น เขามีเขารู้แล้วเนี่ยนี่แหละนี่แหละค่ะัวเบื้อหน่ายขายกำลัดจริงๆผมก็เลยเปรียบเอาไว้อย่างที่เฮาว่าพระพุทธเจ้าตัดผมครา้งเดียวอาการเกิดดับอันนี้แกทุกคนต้องปวดสุจริงผมเลยสมมุติให้เอาเลือกไในรอนเอานี่มัดเสานั้นเสานี้มืด ห, หลังนั้นหลังนี้มัดเท่งเท่งตึงๆแล้ว ต, ต, ตัดตรงกลางปัก ขาดแล้วปึ๊บมันสเสด็จเขามันสะท้อนเข้าออกหลักของไพภมูมันที่เป็นอย่างสันลังมันจะเข้าสู้สภาพของมันนะจ๊ะอันนี้แหละพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวนะครับผมพระพุทธเจ้าโบนยาวถึงจะเทือ่อข้าสองข้อมือตามเดิมเหนะซือนกัมองื้อได้บนมือผมในสีตาได้ครับพระพุทธเจ้าตัดเสื้อมันขาดาได้โบนิอ์ตัดมันดอกมันเป็นเอง นม่แหละที่จะหู้จักว่าหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยมันจะมารวมอยู่จุดนี้ถ้าหากเขาบ้าได้มารวมจุดนี้แล้วเรีอว่าเขาอยังบ้รู้ความหมายการเจริญสติการเจริญสมาธิการเจริญปัญญานะั้นที่สงสัยครับถ้ า, ามาถึงจุดนี้แล้วโบ้มีความปกเของโบ้มีความสงสัยเพิ่นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้บงัง คนเกิดมาร้อยวันพันปีก็าตายถ้าหากบรู้บอเห็นบอเข้าใจสภาพหภาวะอาการเกิดดับนั้นชีวิตของผู้ทัานเป็นหมืนกันบัดนี้บุคคลเขาเกิดมาเพียงวันเดียวรู้เห็นสภาพภาวะอาการเกิดดับชีวิตของผู้ทัานมีค่ามีราคามีประโยชน์กว่าบุคคลผู้เกิดมาร้อยปีเป็นวัยกันบัดนี้ ว่าทางบวชแบบนี้คนนึงบวชมาตั้งแต่ในน้อยร้อยพรรษาข้าหากอยัางโบเข้าใจโบได้รู้โบได้เห็นสภาพภาวะอาการเกิดดับอันนี้การบวชของพวกนั้นก็เป็นโมฆะหรือเป็นมันเป็นไว้โบมีคาเป็นว้แบบนี้บุคคลผู้บวชมาวันเดียวรู้เห็นสภาพหภาวะอาการเกิดดับอันนี้แหละมีคามีคุณมีประโยชน์มากั้ผู้บวช ลอยพยันสาบูนพนวันจริงว่ะให้เราศึกษาจริงๆเพราะมันมีบุคคลนะครับนี่แหละความจริงความจริงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างอื่นบ่ได้ผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้หญิงอยู่ดั้งนัผู้ชายก็ต้องเป็นผู้ชายอยู่ดั้งนันเขาจะเห็นเพศได้อนี้แต่ความจริงที่ผมมาเนี่ยทุกคนต้องประสบด้วงนี้ต้องตายจริงๆก้อนที่จะตายต้องประสบด้วยนี่ก้อน อันนี้แหละตัจจะที่เปลี่ยนแปลงบุได้เป็นสัจจะเป็นกฎแท้แม้จะรู้ก็เป็นโมลู้ก็เป็นสมมุติคนที่โมลู้เหมือนเมืองกับไต้เมืองกับเทาไปกลางคืนไปเดือนมืดจะตนหลักตนต่อลงอูลงคลองแปลงนั้นบัดนี้คนที่รู้เหมือนเทาไปกลางแจ้งไปมืดสวยเป็นตมเป็นเลนเป็นหลักเป็นต่อ เป็นเซียนเป็นน้ำอยูบย่บ่ใดเขาจีเหตมดขอจีย่างไปสบายไปเป็นอย่างไรเพราะต้องการให้คนลูกของจีนที่ฟังผมว่าเนี่ยเต้โบทันเป็นก็ต้องให้จําเอาไว้ผู้ยินกระสรังผู้ตายกระสัตงตอนแน่นอนนี่แหละเป็นบุญแท้เป็นกุศลแท้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียวครับถ้าลูกจุดนี้หรอกเหมือนฟ้าโขมดิน เือนป้าโกนดที่เขาให้ทานลักษณะจิตทาคนสงบนั่นดีแล้วแต่เมันโบไม่สงบอันนี้สงบอันนี้เพันว่าวิมุตินคือบุกน้นอันนี้บุกค้นแล้วย่อมมีเครื่องปัญญาให้ลดลดพ้นแล้วอันนมีผู้มาตัเกเตือนว่าเก่าวของโลกไพรเพริบตักเตือนว่าเก่าวทีว่าญาณปัญญาก็ได้ทีว่าเั้งแตกไ็ได้แล้วพมเป็นเรื่องสมมุติ ดังนั้นจึงว่าแนะนมกันให้เข้าใจจริงๆเมื่อเราเข้าใจแล้วการพุทปฏิบัติของเราก็ก้าวหนะ้าถ้าหากคนใดยังอ่อนแหล่อแหลกอยู่แล้วยากที่จะรู้เรื่องนี้ผมรับรองในตำรับตำราหลัก ส, สูตรนักธรรมสันเอกบอกไว้ว่าผู้ที่เจริญสติประฐานซี่อย่างถูกต้อง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 พระอนาคามนาีนักชีได้มาเกิดในมนุษย์อีกพิซซ่าเดียวถึงวันอันนั้นเอาไวก้ก่อนเรื่องตามหลักัำลาแต่ผมว่าเนี่เอาให้ทำแบบนี้แหละย่างนานสามปีย่างกลางปีนึงย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่ห น, น, นึ่งวันถึงเก้าสิบวันอานิสงไม่ต้องพูดเลยคุกนั่นจะลดน้อยไปจริงๆิ